เมื่อสักครู่เราได้สาทยายองคุณของพระพุทธเจ้าร้อยประการนะที่เรียกว่าพุทธคุณร้อยบทมีพุทธคุณอยู่สองประการที่น่ากล่าวถึงในที่นี้นะประการแรกก็คือพระองค์เป็นผู้ตัดเสียแล้วซึ่งมานณะ ประการที่2เนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ลดทงคือมานะได้หมดแล้วนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมานะจะต้องตัดให้ขาดหรือว่าจะต้องลดลงไปด้วยว่าความเข้าใจคนส่วนใจเนี่ยมานะมันแปลว่าความพยายามนะซึ่งเป็นของดี เป็นคุณธรรมที่ควรจะมีมากๆเพราะคนไทยนี่ไม่ค่อยมีความพยายามเท่าไหร่คือความเพียรแต่ที่จริงแล้วมานะนี่มันเป็นกิเลสนะเป็นกิเลส ช, ชนิดหนึ่งก็คือความถือตัวนะหรือว่าความสำคัญบั่นัหมายนะว่ากูดีกูเด่น นะมันเป็นเรื่องของอจะเรียกความยึดมั่นถือมั่นนะในตัวกูมันไม่ใช่เป็นคุณธรรมนะแต่มันเป็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์นะที่ควรจะละแต่คนนี้คนไทยเนี่ยมักจะเอาคำว่ามานะเนี่ย ไปผูกติดกั ว, ว่าพยายามนะใช้ควาว่าม a n พยายามคนนี้เขาเป็นคนที่มุม a n a เป็นคนมีมา n ะพยายามเราก็เลยไปเข้าใจว่ามาเนี่ยัแปลว่าพยายามนะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาจะกระตุ้นให้คนมีความเปลี่ยนพยายามเนี่ยก็จะใช้วิธีกระตุ้นมานะ เช่นผู้ทํานองว่าเนี่ยคนหนึ่งเขามีมือมีไม้ทําไมเขาทําได้แต่เธอทําไมทําไม่ได้คนที่ถูกต่อว่าแบบนี้ก็เกิดการเปรียบเทียบว่าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้สิหรือรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากเสียหน้าก็ต้องพยายาม การกระตุ้นให้คนมีความพยายามก็ทํำได้หลายแบบนะเอารางวัลมาล่อนะว่าถ้านักเรียนเรียนดีก็จะได้รางวัลถ้าลูกขยันเรียนนะแม่ก็จะซื้อโทรศัพท์มือถือให้อันนี้เรียกว่ากระตุ้นตันหานะใช้ตันหานี่เป็นแหลงผลักให้เกิดความพยายาม หลายคนขยันทำงานเพราะอยากได้โบนัสนะอันนี้ก็เรียกว่ามีตันหาเนี่ยนะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความพยายามอีกวิธีนึงก็กระตุ้นมันนะนะทำให้เรารู้สึกว่านะถ้าไม่ขยันนี่ก็จะเสียหน้าเขาก็จะอับอายขายหน้า หลายคนนะทำความดีนะรักษาศีลก็เพราะว่าอยากให้คนชื่นชมนะหรือว่าอยากให้คนสรรเสริญอันนี้ก็มานะนะมานะานาเนี่ยมันเป็นกิเลสที่อยากจะให้คนชื่นชมสรรเสริญ มันเป็นกิเลสที่ทำให้คนเรานี่อยากจะประกาศนะความเก่งความกล้าความความสามารถอ่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเวลาทาดีหรือว่ามีความสามารถอะไรก็อยากจะประกาศทางเฟซบุ o k นะรวมทั้งมีความคิดดีๆอะไรก็อยากจะให้คนเขารับรู้เขาจะได้ชื่นชมว่าเราเก่ง เดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กที่เป็นเครื่องมือของอมาณะมากเลยน ะ, ะผู้คนใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสนองนะมาณนะอยากจะอวดว่าฉันเป็นคนสวยคนมีรัษณนิยมน ะ, ะก็ใช้เฟซบุ๊กบางทีก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองอการถ่ายรูปหน้าตัวนี้คือเซลฟี่นะเซลฟี่ก็แปลว่าตรวจตน หรือว่าตนเองนะมันก็คือการสนองมานะอีกอย่างหนึ่งนะทำความดีก็อยากจะประกาศนะด้วยการาเขียนชื่อนะติดเอาไว้หรือว่าอยากจะให้ทางวัดเขียนชื่อติดนะว่าตัวเองเนี่ยบริจาคเงินบริจาคสร้างเสาบริจาคสร้างพระ พอเขียนชื่อลงไปแล้วเราก็ปลื้มนะไอตัวปลื้มเนี่ยมันก็เป็นเพราะมานนะความสำคัญมันหมายความถือตัวถือตนความอยากเด่นอยากดังอานะที่แข่งกันนะแข่งกันเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งได้เหรียญทองนะอันนี้ก็ มันเป็นแรงผลักของ m ะเหมอนกันนะซึ่งบางครั้งนี่มันก็ทำให้เกิดผลตรงข้ามก็คือถ้าไม่รู้สึกเด่นก็รู้สึกด้อยนคนที่ไม่มีอะไรจะเด่นนะเรียนก็ไม่เก่งติดอันดับท้าย ความสามารถก็ไม่มีก็รู้สว่าตัวเองด้อยไอ้มาณนะในจิตใจเนี่ยมันทนไม่ได้นะที่กูเป็นคนด้อยนะกูไม่เด่นมันก็เลยหาทางออกที่จะเด่นในอีกทางหนึ่งเด่นทางเก่งนะเด่นทางดีไม่ได้ก็เด่นทางชั่วนะ ก็ไปเข้าแก๊งนะหรือแม่ก็ไปรวมหัวกันก่อการทะเลาะวิวาดนะพวกที่ต้องการประกาศตัวตนนะด้วยการสร้างความเดือดร้อนกับผู้คนเนี่ยอันนี้มันก็มาน่าเหมือนกันนะเรียกว่าเด่นทางดีแม่แล้วก็เด่นทางชั่วก็แล้วกันคอยได้เด่นคอยได้ดัง เดี๋ยวนี้เราก็เห็นเยอะนะบางคนเนี่ยเพียงเพราะความอยากดังก็ทำให้ทำชั่วทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เพราะอิทธิพลของมารนะแล้วนะคนเราเนี่ยเป็นเพราะมารนาะจึงมีความทุกข์นะเมื่อถูกตำหนิติดเตียนนะถูกต่อว่าด่าทอ เพราะว่ามันไปกระทบนะกับตัวมานะมันคำพูดเหล่านั้นมันไปกดนะตัวมาะนะนะซึ่งถ้าจะเลยกง่ายๆนะก็คือไปกดไปกระทบอีโก้นะไปกระทบตัวตนมันก็โกรธสิเมื่อเดก็ตามนะที่รู้สึกต้อยขึ้นมา มันก็จะมีความทุกข์เกิดความไม่พอใจใครเด่นกว่าใครดีกว่าใครเก่งกว่าเราก็ไม่ชอบเขาเราอิจฉาเขาอันนั้นเพราะตัวมา น, นะนะใครสวยกว่านะใครเป็นที่นิยมมีเลตติ้งมากกว่านะเราอิจฉาเขานะบางทีเกลียดชังเขานั่นนะคือเพราะตัวมา น, นะเพราะว่ามันทำให้เราด้อย นะมันทำให้เรารู้สึกด้อยไอ้ตัวมานะมันก็ไม่พอใจเพราะมันต้องการนะประกาศหรือชูคอนะมันเป็นตัวที่ทำให้เราไล่ล่านะคำสรรเสริญหรือว่ารางวัลหรือว่าชื่อเสียงกติยศนะรวมทั้งไล่ล่านะนะ จำนวนไล่ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะคนไม่กดไล่เนะี่ยเราก็ทุกข์แล้วนะจริงจนระิเนี่ยไอตัวทุกข์ก็คือตัวมารณ น, นะเพราะมันอยากจะให้คนกดไล่ให้กับเราเยอะๆนะเดี๋ยวว่าแต่คําตําหนิติดเตียนเลยนะแม้กระทั่งไม่กดไล่เดี๋ยวนี้ก็ทุกข์กันและเพราะว่ามานะ์ของคนสมัยนี้มันเยอะมากนะเรียกว่าความยึดในตัวกูมันสูงมากเหนียวแน่นมากนะ ยี่นี้จะทำอะไรเนี่ยนะก็ต้องติดชื่อติดติดสัญลักษณ์ของตัวเองเอาไว้เวลาไปไหนไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นโบราณสถานที่ไม่น่าต้องเที่ยวเยอะอดไม่ได้นะต้องเขียนชื่อนะเขียนชื่อลงไปแล้วเขียนลายเซ็น แล้วก็มักจะเขียนให้คนอ่านออกว่าชื่ออะไรนะเพื่ออะไรเพื่อประกาศว่ากูมาเที่ยวที่นี่เว้ยหรือว่าบางทีอาจจะต้องการแสดงว่ามีกูอยู่ในโลกนี้เว้ยไอตัวมาณะนี่แหละที่มันทําให้ผู้คนทําอย่างนั้ น, นหรือว่าถ้าไปเที่ยวก็ต้องไปประกาศให้คนรู้ว่าเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นเป็นการโชว์ เป็นการแสดงเป็นการอวดนะอวดทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นเพราะอิท ธ, ธิพลของมานะแล้วถ้ามีคนอวดหรือว่าเกทับนะโกรธไม่พอใจเพราะเราด้อยกว่าเขาเปมด้อยปมเด่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาณนณะทั้งสิ้ น, นมาณนณะมันทำให้คนปรารถนาหรือหยหาการยอมรับและความรัก รวมทั้งความสนใจถ้าไม่ได้รับความสนใจเนี่ยน่นก็จะห่อเหี่ยวมากจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยไม่อยากอยู่ในโลกนี้พอรู้สึกว่าไม่มีตัวตนอยู่ในสายตาของใครภาษาฝรั่งเรืยกว <c oughs> เป็นโนบอดี้ไอ้ตัวมานะนี่มันต้องการประกาศว่ากูเนี่ยเป็นซัมบอดี้วย มันทำทุกอย่างนะอย่างที่บอกถ้าเป็นซัมบอดี้ในทางดีไม่ได้ในทางเรียนใ น, ing, ในทางการร้องเพลงในทางการแสดงหรือว่าในทางวิชาวความรู้ไม่ได้ก็ไปเป็นซัมบอดี้ในทางร้ายนะเป็นอันตพานนะหรือว่าก็ไปไปลออไปหลอก เอาตัวเข้าแรกเนะี่ยอย่างผู้หญิงหลายคนก็ต้องการเป็นซัมบอดี้อยากจะมีโทรศัพท์มือถืออยากจะมีกระเป๋าราคาแพงนะอันนี้ก็เป็นการที่ทำให้ตัวนีร้รู้สึกว่าเป็นซัมบอดี้หรือว่าเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์อันยังก็ถ้าไม่มีเงินโดวยวิธีทางปกติก็ไป ขายตัวบ้างไปเป็นเมียน้อยบ้างไปเป็นกิ๊กบ้างหรือไม่ก็ไปเป็นไปขายาบ้างเนี่ยฉันมานั้ น, นี่จึงเป็นกิเลสนะทีะ่ไม่ใช่ว่าจะควรส่งเสริมแต่ถ้ามีแล้วนะยังลดไม่ได้ก็รู้จักใชใ้เป็นประโยชน์ เพราะว่ามานะก็มีประโยชน์นะคนที่ทำดีหลายคนเนี่ยก็ mm hmm. เพราะเขาอยากได้คำชื่นชมสรรเสริญอยากได้การยอมรับนะเรียนเก่งขยันเรียนก็เพราะอยากจะให้พ่อแม่ชื่นชมอยากจะให้สังคมเข า, อายอมรับนะเพราะว่าถ้าไม่มีใครสนใจไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครเมินนี่มันจะทุกข์มากเลย บางคนทุกข์จนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายแล้วคนที่ฆ่าตัวตายจานวนมากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าล้มละลายไม่ใช่เพราะว่าบ้านถูกยึดมันไม่ใช่แค่นั้นมันรู้สึกเสียหน้ารู้สึกกับอายขายหน้านยอย่างทำเนียมฆ่าตัวตายเพราะว่าเสียหน้าขายหน้าเนี่ย ในญี่ปุ่นเนี่ยเซ็ปุกขุฮาราคิรีก็เป็นเรื่องของมันนะทำเพื่อทำโรงรักษาชื่อเสียงกิติยศเอาไว้นะี่ถ้าไม่ทำจะเสียหน้ามากอับอายหรือไม่ก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็โดดตึกตายนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโนบอดดี้ไม่มีคุณค่าในสายตาของใครแล้วอยู่คนเดียว ถ้าหากว่าฆ่าตัวตายไม่ได้ไม่สำเร็จก็ไปฆ่าคนอื่นตายเพื่อจะได้ดังเนี่ยอย่างคนที่ฆ่าจอรล์ลดนนอนเนี่ยหรือคนที่ฆ่าดาราดังๆหลายคนเนี่ยก็ทำเพราะต้องการเป็นซัมบอดี้นะอยากจะให้คนรู้ว่ามีเขาอยู่ในโลกนี้อยากจะให้คนได้สนใจเหลียวแลเขาบ้าง อย่างเชฟแมนซึ่งเป็นคนฆ่าจอร์ลดนนอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ล้มเหลวทุกอย่างเลยเรียนก็เรียนไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่รักทำงานก็ไม่ประสบความสำเร็จในสังคมมริการเนี่ยคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะไม่ได้ความเหลียวแลมีแฟนก็แฟนก็ทิ้ง นะรู้สึกล้มเหลวทุกอย่างเหมือนกับเป็นขยะของสังคมก็เลยฆ่าตัวตายขณะฆ่าตัวตายยังไม่สำเร็จเลยอไม่สำเร็จในทุกอย่างแม่ก็ลั้งฆ่าตัวตายนะแย่มากนยะก็เลยเหลือทางเดียวนะก็คือไปฆ่าคนไปฆ่าคนดังนะตัวเองได้ดังด้วยหนังสือพิมพ์ังได้มาถ่ายรูปนะ เขาให้สัมพันแลอย่างาไร้ที่เขาคาดจ่เลนนั่นนะวนนี้เขาเนะีเขาทำเพราะเขาต้องการเป็น s o m บ b ดี y เนะนะเขาใช้คำนี้เลย s o m บ b ดี y อันนี้คืออิทธิพลของมานะนะซึ่งมันสามารถจะชักนำให้คนเนี่ยทำชั่วแต่ที่ น, น่มันทำให้คนเรามีความทุกข์มากเพราะฉะนั้นมานะคือสิ่งที่ต้องต้องละนะต้องอลดหรือว่า จัดออกไปนะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าจำเพาะพระอรหันนะต์นะถึงจะละได้มันมีกิเลสอยู่3ามอย่างนะที่เราคุ้นเคยคือโลภโกรธหลงหรือว่ากิเลสอี ก, อกชุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าตัณหาทิฏฐิมานนะทิฏฐิเนี่ยนะคือความ เห็นนะว่ากายใจเป็นเป็นเรานะอันนี้ลดได้แต่เป็นพระโสดาบันแล้วขจัดได้แตเป็นพระโสดาบันส่วนตันหานี่ก็คือความอยากไม่ว่าความอยากในกามหรือว่าความอยากในรูปในอรูปนี่จะละได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีมานานี่ต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะถึงจะละได้ เราพวกเราคงคุ้นนะได้ยินครับคุ้นกับคำ ว, ว่าตัวกูของกูเนี่ยไอ้ของกูเนี่ยก็คือความการยึดสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูอันนี้คือตัณหาอยากนะอยากจะยึดอยากจะได้เงินมาเป็นของกูอยากจะได้เพชรอยากจะได้บ้านเป็นของกูอันนี้คือตัณหาส่วนความคิดว่า นั่นนี่เป็นกูนะเป็นตัวกูนะอันนี้เรียกว่าทิฏฐินะถ้ามีความคิดความเห็นว่ า, ากายใจเป็นกูเนี่ยอันนี้เรียกว่าก็เจาะจงเป็นสักยทิฏฐิตัวกูของกูเนี่ยนะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ที่จริงถ้าจะให้ครบสามเนี่ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะ นะท่านสมเดพระตุคคลศสาจารย์ท่านใช้คําว่านี่กุลนะตัวกูของกูแล้วก็นี่กุนะตัวกูก็ทิฏฐนะิของกูก็ตัณหานี่กุลนะก็คือม า, น, านะไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวตัวกูของกูแล้วนี่กุลนะเนี่ยนะนะเป็นกิเลสที่เราต้องระัดระวัง เพราะมันจะคอยชักใยวงการให้เรานะทำโ น, โน่นทำนี่ในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าในสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเรานะเช่นอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์นะหรือว่าพอไปยึดอะไรว่าเป็นตัวกูไปยึดบ้านยึดรถว่าเป็นตัวกู นะพอรถถูกเชียวนะพอบ้านนะเกิดเสียเกิดรั่วขึ้นมาต้องซ่อมอ่ะทุกข์ละยังไม่ต้องพูดถึงร่างกายนะที่เจ็บป่วยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่านะเรียกสั้นๆ ว, ว, ว่านว่าอีโก้นะภาษาฝรั่งเนี่ยนะเรียกว่าตัวตนนะแต่ว่าถ้าจะคุ้นนะ คุหูเราก็ตัวกูของกูเนี่ยจริงๆเนี่ยนะอไอ้ตัวกูของกูเนี่ยนะมันไม่มีจริง น, นะเราพูดไปอย่างนั้นนะว่ามีตัวกูของกูเยอะนะแต่ที่จริงมันไม่มีไอ้ตัวกูของกูมันเป็นแค่ ส, สิ่งสมมุตินะมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูมันไม่มีอะไรที่เป็นของกูเลย ทุกอย่างที่เราเชื่อเป็นของกูเนี่ยนะมันรู้ แ, แต่สมมุติทั้งนั้นสมมุติตามกฎหมายว่าบ้านเนี่ยนะเป็นของเรานะพาะมีชนโหนดรถเป็นของเรานะพอมีเชนเพ่มีทะเบียนชื่อเราอันนี้เป็นการสมมุติตามกฎหมายหรือสมมุติโดยยอมรับกันทั่วไปนะนะเช่น เสื้อผ้านะโทรศัพท์นะในบ้านเรานะคนเขาก็ยอมรับว่าเนี่ยคือของเราแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเนี่ยเราก็ต้องควบคุมบังคับบัญชาได้นะบังคับให้มันไม่เสือ่อมบังคับให้มันไม่เสียไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้หรือร่างกายนี้เนี่ยไอ้ร่างกายนี้ที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยนะ เราสั่งมันได้ไหมไม่ให้แก่ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้ปวดท้องเนี่ยสั่งไม่ได้ร่างกายนี้ที่เราบอกว่าเป็นตัวกูเนี่ยนะพอมาชี้ว่าตรงไหนเป็นตัวกูเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวกูหรือตัวเรานะมันเป็นหัวบ้างเป็นหน้าอกบ้างมันเป็นมือบ้างเป็นขาบ้างไปบอกว่าตรงไหนเป็นตัวเราเนี่ยนะ มันไม่ใช่เลยหาตัวเราไม่เจอเพราะมันมีแต่หัวตาแขนขามือเท้าท้องหน้าอกไอ้ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเราจึงสมมุติเรียกสิ่งนั้นว่าตัวเราหรือร่างกายของเรามาเป็นสมมุตินะ จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพูดย่อยๆตัวกูของกูมันไม่มีจริงนะมันเป็นแค่สิ่งสมมุตินะที่เราอุปโลกขึ้นมาว่าเนี่ยตัวกูเนี่ยของกูและธรรมชาติของจิตเรานะมันชอบยึดอะไรอะไรเป็นของกูได้ง่ายมากโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาไม่จำเป็นต้องหามา อย่างมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเล่านะเขาไปปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ไปเดินจงกรมนะอยู่ตรงมุมหนึ่งนะของลานจงกรมเดินทั้งวันเลยนะแล้วเขาก็ชอบเดินสักสองวันได้นะเขาก็รู้สึกแล้วว่าไอเนี่ย เป็นทางเดินจงกรมของเธอมาวันหนึ่งเน่วันที่สาม ม, มีคนมาใช้ทางเดินนั้นเธอไม่พอใจเลยนึกในใจว่านี่มันทางจงกรมของกูนะกโกรธไม่พอใจแต่เธอก็ได้สติมาเฉลียวใจมันเป็นทางจงกรมของกูแต่เมื่อไหร่ว่าเนี้ยนะเธอแค่มาอาศัยที่ตรงนั้นเนี่ยนะใช้เดิน แต่พอเดินไปสักพักนี่อของกูแล้วในกรณย่างเธอสองวันนะแต่บางทีเนี่ยนะไม่กี่นาทีนะอย่างเช่นเร า, เาไปจองที่นั่งในห้องประชุมก็ดีนะหรือว่าในลานกว้างก็ดีเราไปยึดเอานนะว่าตรงนั้นเป็นที่ของเรา เป็นเก้าอี้ของเราทันทีที่นั่งแค่ไม่กี่นาทีเรารู้ได้ไงรู้ก็ตอนที่พอเราลุกออกไปแล้วมีคนมานั่งแทนเนี่ยมันจะไม่พอใจเล ย, เยมันที่นั่งของกูนะเนี่ยมามันนั่งได้ยังไงนะ่เป็นของกูแต่เมื่อไหร่นะที่นั่งนั้นเราก็ไม่ได้ซื้อนแต่มันยึดแล้วว่าเป็นของกูนะจิตของเราเนี่ยนะมันมันยึดง่ายมากนะ ว่าเป็นของกูของกูหรือว่าเป็นตัวกูเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เขามีการทดลองนะซึ่งน่าสนใจมากนั้นอยู่ใน YouTube เป็นการทดลองที่เขาใช้เาเรียกว่ามือยางนะรับเบอร์แฮนเขาให้ผู้อาสาสมัครเนี่ยนะเอามือนะเอามือขวาและมือซ้ายเนี่ยวางไว้บนโต๊ะ เสร็จแล้วเขาก็เอาฉากนะเล็กๆเนี่ยมามาบังมือซ้ายแขนซ้ายเอาไว้นะเป็นเป็นกระดาษนะห น, น, นาๆสักหน่อยมาบังมือเอาไว้เสร็จแล้วเขาก็เอามือยางเนี่ยนะมาวางไว้ข้างหน้าฉากไอ้มือซ้ายของเราเนี่ยมันอยู่หลังฉากนะส่วนมือยางเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าฉากนะข้างหน้าเรานี่แหละอยู่บนโต๊ะ มือก็ยางก็ประมาณขนาดเนี้ยนะก็คือมีข้อไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงศอกนะประมาณสักฟุตครึ่งหรือฟุตเศษนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เอาผ้าคลุมไหลเนี่ยคลุมไหลเอาไว้แล้วเพื่อจะให้ผ้าเนี่ยมันไปมันไปปิดส่วนของมือนั้นส่วนของแขนนั้นจนเหลือแค่มือแล้วก็ข้อมือโผล่มานิดหน่อยมือยางนะเสร็จแล้วผู้ทดลองเนี่ยก็เริ่มที่จะ เอามารูปหรือคลาบางทีก็ใช้สิ่งที่มันอ่อนๆหน่อยนะมารูปคลำเนี่ยทั้งที่เป็นมือซ้ายจริงๆแล้วก็มื อ, อยางโดยให้สอดคล้องกันเช่นถ้าไปรูปตรงตรงนิ้วกลางนะก็นิ้วกลางทั้งของมือซ้ายแล้วก็มื อ, อยาง นะถ้ารูปตรงฝ่ามือหรือหลังมือเนี่ยก็ให้ตรงกันนะระหว่างทั้งของมือซ้ายแล้วก็มือยางสักพักเนี่ยอาศาสมัครจะรู้สึกเลยนะว่าไอ้มือยางเนี่ยเป็นมือของเขาเป็นตัวกูเป็นของกูรู้ได้ยังไงนะเขารู้ได้เพราะว่าเวลาเขาจะเอาผู้ดทดลองเนี่ยจะเอา เอาดเอาเข็มเนี่ยจิ้มเนี่ยพอเอาเข็มไปจิ้มหรือทํำท่าจะจิ้มที่มื อ, อยางนะคนอาสาสมัครจะร้องเลยว่าอย่าทำอย่าทำแล้วพอเอาเข็มเนี่จิ้มนะเขจะร้องเลยว่าเจ็บแล้วยิ่งเอาเอาคอรเนี่ยมาทุบนะทุบตรงมื อ, อยางนี่อาสาสมัครจะร้องเลยโอ้ยนะแล้วสักพักก็จะร้ว่ นี่มันไม่ใช่มือเราเนี่ยมันมือยางแต่ทุกคนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเดียวกันนะเวลาผู้ทดลองเนี่ยจะทำ้ายมือมือยางนั้นเขาะจะรู้สึกว่าเนี่ยอย่าทำอย่าทำนะเพราะในความรู้สึกของเขาเนี่ยไอ้มือยางมันกลายเป็นมือของเขาไปละกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาไปละอันนี้เป็นการทดลองเนี่ย ที่เขาอธิบายว่าสมองคนเราเนี่ยเวลาเห็นอะไรเนี่ยนะเวลาเห็นอะไรเนี่ยมันก็มักจะเชื่อเช่นถ้ามือนะมือยางเนี่ยเห็นวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยทาไปสักพักมันจะไปคิดว่าหรือเชื่อว่าเนี่ยเป็นมือของเราหรือว่าเป็นส่วนของตัวเราแล้วยิ่งนะความรู้สึกมันจะชัดเจนมากหรือว่าจะทึกทักอย่างจริงจังมาก เพราะว่าเวลาผู้ทดลองเนี่ยเขาลูบเขาลูบมือยางแล้วเรารู้สึกได้ว่ามือมันถูกลูบแต่ที่จริงเนี่ยไอความรู้สึกว่ามือถูกลูบเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมือยางถูกลูบแต่เพราะมือซ้ายเขามันถูกลูบแต่สมองคนเราเนี่ยมันก็จะโยงเอาความรู้สึกที่มือมือซ้ายเนี่ยเสมือนกับว่าไอมือยางเนี่ยมันรู้สึกได้นี่ข้อที่บายนะ อธิบายแบบวิทยาศาสตร์คือสมองคนเราเนี่ยบางทีมันมันถูกหลอกได้ได้ง่ายแต่ถ้ามองอธิบายแบบพูดก็คือว่าจิงคนเราเนี่ยนะมันมันง่ายมากนะที่จะยึดอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเป็นตัวกูของกูทั้งนันที่มือยางเนี่ยเห็นอยู่ข้างหน้าแนะว่าเป็นมือที่เอามาวางไว้ข้างหน้าตอนที่วางก็เห็นนะว่ามันคือมือยาง แต่ภายในเวลาไม่ถึงนาทีมันก็ไปสําคัญมั่นหมายแล้วว่าไอ้มืออย่างเนี่ยคือของกูหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวกูไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คําว่าตัวกูของกูเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นสมมุติเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะเชื่อว่ามันเป็นจริงมันมีจริงแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีจริงหรอกแต่ว่าจิตของเราไปสร้างไปปรุงขึ้นมาแล้วก็ไปทึกทักว่าเป็นจิตเป็นจัง นะยิ่งเกิดมานะตั้งแต่เล็กจนโตก็ไปคิดแบบนี้ตลอดเนี่ยมันก็เลยฝังใจนะนับภาษาเลยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่แตทึกทักนะสะสมความรู้สึกนี้มาเป็นเวลาหลายปีแค่ไม่กี่นาทีนะี่ไอ้มือยางเนี่ยนะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นมือที่เอามาวางไว้ข้างหน้าก็ยังเผลอคิดว่าเป็นเป็นกูนะเป็นของกูได้ ให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อลดเพื่อล่าตัวกูของกูนะแต่มันเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวกูของกูไม่มีจริงนะมันไม่ใช่เพื่อล่าตัวกูของกูนะหรือพูดย่างคือละความยึดความสําคัญมั่นหมายว่านั่นนี่เป็นตัวกูของกู จะละได้ยางไรจะละได้ก็เพราะเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูของกูเลยซึ่งอันนี้เนี่ยนะต้องอาศัยปัญญาที่แจ่มแจ้งที่มันล้วงนะมันล้วงเอาไอ้จิตไร้สำนึกหรือความหลงอวิชชานี่ออกไปจนหมดสิน้นแต่ถึงแม้ว่าอาวิชชามันยังไม่หมดนะนะอย่างปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยไอ้การที่จะลด นะละหรือว่าคลายความสำคัญหมายในตัวกูนี่นะก็ยังทำได้นะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งนะวิธีหนึ่งในการที่จะทำให้ตัวกูเนี่ยหมดไปหรือว่าไม่มีตัวกูขึ้นมาสติเนี่ยมันถ้าเราฝึกนะให้รู้จักเห็น โดยไม่เข้าไปเป็นนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสตินะันมันคือตาในนะตาที่เราใช้มองข้างนอกเรียกว่าตาเนื้อส่วนสติเป็นตาในที่ทำให้เราเนี่ยเห็นอารมณ์ความคิดต่างๆเวลามีความโกรธเนี่ยเห็นความโกรธเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีผู้โกรธนะนะเวลามีความหงุดหงิดเห็นความหงุดหงิดเนี่ย มันจะไม่มีผู้หงดหงิดนะในภาวะนั้นเนี่ยตัวกูมันมันดับไปแล้วหรือความคิดว่าตัวกูเนี่ยมันไม่มีมันเป็นภาวะที่ไร้ตัวกูนะทุกครั้งหรือทุกขณะที่เรามีสตินะเวลาเดินเนี่ยมันไม่ใช่กูเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินนะเวลาคิดเนี่ยถ้าเรามีสติันจะเห็นว่าอ๋อมันมีความคิดแต่ไม่มีผู้คิด มันมีความโกรธไม่มีผู้โกรธเวลาปวดนะมีสติเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันนะมันก็จะเห็นความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดในการที่ไม่มีตัวกูเนี่ยนะมันดีไหมนะี่มีความโกรธไม่เป็นผู้โกรธนะมีความปวดไม่เป็นผู้ปวดไม่มีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยมันสุขนะมันสบายนะ แต่ถ้าไปยึดว่ากูสุขน ะ, ะตัวกูมาแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมทุกได้เลยพอพอไอความสุขหายนะมันก็จะทุกข์ขึ้นมาละแม้แต่เวลาสุขนะก็เห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขมีความดีใจก็เห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจในภาวะนั้นเนี่ยไอตัวกูเนี่ยมันไม่มีด้วยางนั้นเนี่ยมันจะเกิดความสุขโป่งโล่งเบาสบาย ในขาะที่เรายังเป็นผูุ้ชนเนี่ยนะเราก็ยังทำได้นะวางหรือละไอ้ตัวกูซึ่งที่จริงคือการที่ไม่ปรุงนะตัวกูขึ้นมานั่นเองที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องละหรอกนะไอ้ตัวกูนะเพราะมันไม่มีจริงตั้งแต่แรกสิ่งที่ควรทำก็คือไม่ปรุงตัวกูขึ้นมาซึ่งจะทำได้ก็ เพราะมีสตินั่นแหละนะแต่ต้องเป็นสัมมาส ต, ตินะสะ ต, ติที่เรามีอยู่ทั่วๆไปนี่มันไม่ใช่ส ต, ติที่จะเอามาใช้ดูกายดูใจหรือว่ารู้เท่าทันนะอารมณ์ความนึกคิดต่างๆได้แต่เมื่อก็ตามที่เราได้พัฒนาสัมมาส ต, ติขึ้นมามันจะเห็นความจริงความจริงที่ถูก ปิดบังมานานว่ามันไม่มีตัวกูนะมันมีความคิดมันมีความโกรธมันมีความฟุง้งนะแต่ไม่มีกูผู้คิดไม่มีกูผู้โกรธไม่มีกูผู้ฟุง้งนะมันมีความปวดนะแต่ไม่มีกูผู้ปวดนันเป็นภาวะที่พิเศษมากนะนะที่ ถ้าเราเห็นเพราะว่านี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งหรือว่าเกิดการยอมรับนะที่เราเรียกว่าปัญญาว่ามันไม่มีตัวกูของกูตั้งแต่แรกนะ ต, ตรงนี้แหละที่มันทำให้ตันหามานาทิฐิเนี่ยมันมันหมดไปนะเพราะมันไม่ในเมื่อไม่มีไม่มีตัวกูของกูแล้วนี่ ความอยากนะอยากจะอยากจะยึดสิ่งต่างเป็นของกูหรือไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นนี่เป็นกูเนี่ยมันก็ไม่มีมันเกิดขึ้นไม่ได้นะถึงที่สุดแล้วมันก็จะมีความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะความทุกมีแต่ผู้ทุกไม่มีให้ภาวะเช่นนี้แหละนะคือภาวะที่มันเป็นสุขอย่างแท้จริง ศสตร์ใดที่ยังมีตัวกูนะมันก็ยังมีผู้ทุกข์อยู่ยังมีผู้ทุกข์อยู่แม้ว่าจะพยายามจะกระจัดความทุกข์อย่างไรนะแต่สุดท้ายก็ยังมีผู้ทุกข์พยายามกระจัดกิเลสอย่างไรสุดท้ายก็ยังมีผู้ผู้มีกิเลสอย่างที่ สิทผู้พี่นะของท่านไวยหลังเนี่ยเคยเขียนในสโลกนะเขียนเป็นสโลกว่าเนี่ยกายนี้เหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกใสต้องมันเช็ดถูเพื่อไม่ให้ฝุ่นมาเกาะนะแต่ท่านไวยหลังนี่ไปไกลกว่า น, นั้นท่านบอกว่าเนี่ยต้นโพก็ไม่มีกระจกใสก็ไม่มเีเมื่อทุกอย่างว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะจับกับอะไรนะฝุ่นในที่นี้จะหมายถึงความทุกข์ก็ได้ จะมาถึงกินเล็ ก, ก็ได้นะเมื่อไ่ไม่มีกระจกแล้วนี่มันจะจับกับอะไรนะแต่ใดที่ยังมีกระจกนะมันก็ยังมีฝุน่นมาจับมาเกาะซึ่งก็ต้องถูต้องเช็ดนะก็คือว่าต้องขจัดความชั่วออกไปขจัดกิเลสออกไปขจัดความทุกข์ออกไปเพราะมันยังมีนะผู้ทุกข์อยู่ มันยังมีตัวกูอยู่นะแต่พอไม่มีความสําคัญมากมายในตัวกูลแล้วนะี่มันก็มีแต่ฝุ่นนะแต่มันไม่รู้จะไปจับกับอะไรก็คือไม่มีผู้ทุกข์แล้วไม่มีผู้มีกิเลสแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะยาการเจริญสติเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแค่ทําให้เราสงบชั่วครูชั่วชั่วขณะเท่านั้นนะแต่มันทําให้เราเห็นความจริงนะว่า จริงแท้เนี่ยมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวกูและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นหนทางไปสู่ปัญญาและความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงพ้นทุกข์ในความหมายที่ว่ามีความทุกข์นั่นแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมีความแก่มีความป่วยไม่มีผู้แก่ผู้ป่วยมีความตายไม่มีผู้ตายและเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะมีอะไรนะที่จะเป็น สิ่งที่รบกวนจิตใจได้เอาละช้อ น, อนนี้พุทท่านนี้นะกรับพระ